หน้าที่เรารู้ตามที่เขาเป็นรู้แล้วอย่าไปปรุงอะไรต่ออย่างจิตมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วมันจะปรุงต่อมันอยากหายก็ พ, พยายามจะบังคับตัวเองบังคับอย่างโน้นบังคับอย่างนี้หรือกำหนดโน้นกําหนดนี้นะหวังจะให้หายอย่างเงี้ยเราหลงปรุงแต่งแต่ถ้าจิตเขาปรุงแต่งของเขาเองเราก็ตามรู้ตามดูจนปัญญามันแจ้งมันไม่ใช่ตัวเรา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 แต่ว่ามันไม่ใช่นิโรธเป็นคราวๆทุกวันนี้เราเห็นนิโรธเป็นครั้งเป็นคราวเห็นนิโรธเช่นจิตฟุ้งสร้างเราทําสมถะก็เป็นนิโรธชนิดที่หนึ่งหรือเราเจริญนิพพานาเนี่ก็เป็นนิโรธอย่างที่สองเวลาเกิดอริยมรรเป็นอย่างที่สามเกิดอริยผลเป็นอย่างที่สี่ตัวนิพพานเป็นนิโรธอันที่ห้า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 แสดงไตร ล, ลักษณ์อย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอากุศลตลอดเวลาเอาสุขตลอดเวลาอะไรก็แสดงไตร ล, ลักษณ์ทั้งกุศลทั้งอกุศลเหมือนครูของเราทั้งคู่นะครูคนหนึ่งเรียบร้อยครูคนหนึ่งดูชั่วร้ายหน่อยดูร้ายเนี่ยเกลี้ยกราดมันก็สอนธรรมะเท่าๆกันแต่ใจเราไม่หลงตามอากุศลเพราะเรามีสติอ่ะเบอร์เบอร์สี่เบอร์สี่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 เหลื อ, อย่อมนี่อยู่ย่อมนึงหนะลงอยู่ช่วยสง่งจิรัดช่วยสง่งเพิ่งมาฟังหลวงพ่ออะครับเคยฟังซีดีแล้วครับ<ม>ก็ยังไมไ่ปฏิบัติอะไรครับ ฟ, ฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องปฏิบัตินะครับคําว่าปฏิบัติเหมือนผีหลอกเราแต่ได้ยินคําว่าปฏิบัติเราก็คิดว่าต้องทําอะไรที่เหนือธรรมดาเพื่อจะได้บางอย่างที่เหนือธรรมดาคําว่าปฏิบัติจริงๆแปลว่าถึงเฉพาะถึงรู้เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆรู้อย่างที่มันเป็น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 ดีแล้วใจเกือบจะตื่นแล้วหัดดูไปเรื่อยๆฟังซีดีหรือเปล่าแล้วทำไมถึงหลุดขึ้นมาได้อย่างนี้เพื่อนพามาค่ะเพิ่งมาเคยฟังเนี่ยหรอไม่เคยฝึกใช่ไหมก็สวดมนต์อยู่ที่บ้านแล้วก็นั่นแหละพวกไม่เคยเข้าคอร์สหลุดง่ายพอไม่ได้ไปปรุงอะไรไว้สมัยพุทธการที่เขาฟังแล้วเขาปิ๊งปิงปิงนะแล้วเขาไม่เคยปฏิบัติไม่เคยคิด พาฟังพุ๊ก็หลุดไปเลยแต่ก็มีนะบางคนฝึกเพ่งเข้าฌานแต่ฌานขหงเข้าฌานจริงๆนะอย่างที่คุณํำเกิงเข้าฌานอย่างที่พวกเราบอกว่าเข้าฌานเข้าฌานไม่ใช่หรอกมันเป็นการข่มใจไว้เฉยๆฌานจริงๆต้องมีความสุขนะมีความสงบมีความสบายเบ า, เ บ, าเบิกบานไอที่นั่งเนี้ยเค้นเอาบังคับเอาไม่ใช่ฌานหรอกนะทาไปแล้วลาบาก ทำแล้วเครียดทำแล้วติดใจลอยไปแล้วซ้าำไหมหนีแว บ, บไปเลยหนีวิคิดไปถึงไหนแล้วครับวันนี้สง่ง ค่ะก็รู้สึกว่ากายใจมันทํางานของมันเองใช่ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมว่าหลวงพ่อร่างกายตอนนอนร่างกายขยับก็รู้รู้นอนหลับอยู่เนี่ยพลิกคล้พลิกผ่ายังรู้เลยแต่ว่าใจมันทํางานแล้วมันก็ไม่ยอมหลับค่ะหลวงพออ่อพยายามจะทําสมถะเพื่อให้ร่างกายมันพักมันก็ไม่ยอมไม่<ห>ไม่ร่างกายมันได้พักอยู่แล้วร่างกายมันต้องการนอนนานจิตมันนอนประเดี๋ยวเดียวนั่นจะตกใจนะเหลือเือนอนนิดนิดหน่อยหน่อย S <S <S เหมือนจะนอนอยู่งั้นนอนส่งเดชไปงั้นอ่ะแต่พลิกซ้ายลิกขวารู้หมดเลยแล้วแล้วก็รู้ว่าใจมันไปคิด<ช>ไปทํางานทั้งวันทั้งคืนแต่เดิมมันก็ทําอย่างนั้นแต่เราไม่เห็น <C han> คือมันฝันตลอดคืนอ่ะ <C han> จิตที่ไม่ฝันมีนิดเดียวตอนที่มันพักจริงๆนะ <C han> แต่๋เราไปเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนอยู่ข้างในมันตื่นแล้วล่ะค่ะตอนนี้เป็นคนใหม่แล้วนะมาเรียนอีกครั้งเนี่ยทําได้อย่างนี้ก็มาหาหลวงพ่อหลายครั้งแล้วอะค่ะดีแล้ว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 เลือกก็ไม่ได้ดูไป่พยายามเวลาที่จิตใจมันมันคิดคิดไปค่ะหลวงพ่อเราเห็นว่ามันคิดคิดไปเรื่อยๆเราเหมือนกับเป็นกลางกับมันไม่ได้จะเข้าไปควบคุมเอเอนั่นแหละตัวร้ายเลยที่หลวงพ่อบอกไงจิตมันปรุงนะไม่ใช่ปัญหาแต่เราอะไไปช่วยมันปรุงตรงที่ไปช่วยจัดการมันอ่ะค่ะตนนั้นแหละตัวปัญหาแล้ว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 ใจรักนะเป็นอนัต <Okay. S 1> ตาบังคับไม่ได้เราพยายามไปฝืนเราพยายามไปบังคับมันอยากให้ได้ดั่งใจมันถึงทุกข์ไม่เลิกเลยเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ความจริงเราเห็นเนี่ขันทํางานของขันทั้งวันทั้งคืนไปเลยใจไม่เกี่ยว <Okay. S 1> ใจอยู่ต่างหากเป็นแค่คนรู้คนดูไป <Okay. S 1> วันไหนไม่ฉลาดก็เข้าไปคลุกคลีอันไหนฉลาดหน่อยก็หลุดออกมาคฝ <Okay. S 1> ึกไปเรื่อยๆถึง <Okay. S 1> จ, จุดหนึ่งจะทิ้งใจ <Okay. S 1> ไม่ใช่ทิ้งอย่างอื่นเลยนะ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 เมื่อสองวันที่แล้วมีเรื่องที่ทำให้จิตใจกระทบกระเทือนแล้วก็มีความรู้สึกหวั่นไหวก็รู้ตามความรู้สึกหวั่นไหวแต่ความหวั่นไหวนั้นก็ไม่หมดไปจนกระทั่ง เ, เมื่อเช้ามืดคือตามตีจะตื่นตื่นนอนตีสามตีสี่มาสวดมนต์ เ, เช้าตื่นมาตีสามพอสวดมนต์เสร็จก็พอเพื่อนตรงนั้นมีซีดีแล้วมีของหลวงพ่ออยู่ก็เลยลองกดฟังดูแล้วก็นั่งกรรมฐานปรากฏว่า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 แล้วเราจิตมันไม่เอาเลยมันมันปฏิเสธเลยไม่เอาเลยก็ ร, รู้สึกแปลกนดนั่นแหละดีแล้ว น, นะฝึกไปอย่างนั้นแหละดีแล้วธรรมะ ม, มันคุ้มครองเราเองแน้วเรามีสติในอภิธรรมถึงบอกว่าสติทาหน้าที่อารักขานะมันอารักขามันคุ้มครองใจของเราเองเราไม่ได้ทำอะไรแต่เรามีสติบ่อยๆพออากูสนผ่านมาสติมันรักษาใจนะอากูสนไปทางจิตอยู่ทางไม่เกี่ยวกัน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 แล้วก็จะเหมือนที่หลวงพ่อบอกคือมันเห็นแล้วมันปล่อยเห็นแล้วก็ปล่อยแต่ ว, ว่ามันก็ไม่ได้ปล่อยตลอดมันก็บางทีมันก็ยึดเดินบาง <thế> ครั้งมันก็เข้าไปเกาะไว้บางครั้งก็หลุดออกมา <Oscar. S 3> เพราะว่ามันยังไม่ใช่ภูมิที่ปล่อยแต่ว่าเราได้เรียนรู้จิตจะเข้าไปยึดห้ามมันไม่ได้จิตจะหลุดออกมาสั่งให้หลุดไม่ได้หลุดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวก็เข้าไปได้อีก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 ไม่ใช่กำหนดนะคือกำหนดเนี่มันตัดสภาวะอย่างที่หลวงพ่อบอกเราไม่ได้เห็นความจริงของมันพอดูอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ปล่อยแล้วมันก็เห็นว่าคือทุกอย่างที่มันเกิดเพราะมันเป็นวิบากแค่นั้นเองใช่เป็นวิบากตัวทุกข์ทั้งหมดอะเป็นวิบากนี่เราไปแก้ตัวทุกข์ไม่ได้แก้ผลไม่ได้ไ ม, ไม่ทําเหตุใช่ถ้ามไม่ทําเหตุก็ไม่มีผลมันเลยใค่เกิดการยอมรับได้ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนี้เราเป็นผล ของจริงที่เราทําเอาไว้เ อ, อถ้าปัญญาเป็นเข้าใจตัว น, นี้ยเวลาสภาวะอะไรเกิดขึ้นจิตไปรู้เข้าเนี่ยมันจะไม่ดินน้นรนไม่ยินดียินร้ายน ะ, ะแต่ถ้าถ้ายังอาศัยการพิจารณาช่วยเนะี่ยยังไม่ใช่วิปัสนาแท้ะะถ้าวิปัสนาแท้แท้ยังไม่ใช่ไปคิดว่าทุกนี่เป็นแค่วิบากนะเรารับรไปเถอะอย่าไปดิ้นรนหนหีอันนี้ยังใช้เหตุใช้ผลอยู่ยังไม่ขึ้นวิปัสนาแท้ แต่ถ้าเป็นปรัชนาแท้ๆเราเห็นทุกข์เรก็เห็นทุกข์ก็ส่วนทุกข์กนะจิตก็ส่วนจิตไม่เกี่ยวกันคือบางครั้งต้องอาศัยโยนิโสฮะโยนิโสจําเป็นใช่ไหมไม่งั้นถล่มทลายไม่งั้นอกุศลเกิดช่วยช่วยมันได้แต่<ช>เรารู้<ช>ว่าตอนเนี้ยเราช่วยมันพิจารณาใช่หลวงปู่ดูลบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดเจ้าค่ะอาศัยคิดตัวนี้คือตัวโยนิโสที่ว่า เรกฉลาด แ, แล้วตอนนี้ทำถูกแล้วใช่ไหมคับแต่ใจใจขนาดนี้ไม่อิสระนะดูออกไหมพยายามเฝ้าอยู่นั่นแะไม่อิสระนะอย่างจานวนวลสิรีปล่อยได้จริงจร อ, อ่ะนะอ่าเพ<อ>นี้พยายามเฝ้าอยู่อย่าอย่าไปเฝ้ามันมากนะ <c oughs> มันไม่ใช่ของเราให้มันหนีไปพะ <c oughs> มันหนีไปแล้วเราก็คอยรู้เออมันหนีได้เองแฮะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกท่าเบอร์ห้าสิบสอง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 เมื่อกี้ฟังหลวงพ่อพูดก็รู้สึกว่าเรื่นเริงในธรรมแต่ข้างล่างอะมันก็รู้สึกยังทุกอยู่อะค่ะเนาะเนาะให้มันทุกไปให้มันทุกไปอะค่ะทุกข์ก็เอาไว้รู้นี่นทุกข์ไม่ได้มีเอาไว้ให้ละนี่เจ้าค่ะคือทําไมสมมติความทุกข์เกิดทําไมเราต้องอยากละทุกข์มันจะเป็นอย่างที่อาจา ร, รย์นวนสลสริบอกเพราะมันมีเรา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 หน้าตาคุ้นณทำไมเป็นอะไรต้องมียาเขียวน้ำผักค่ะ <c oughs> วันนี้เอมีโมหะโทสะแล้วก็สลับกันตลอดเวลาเจ อ, อดีวูไปถ้ามันไม่ได้หรอกขะคุณยายเพิ่งเคยมาครั้งแรก่ะคะ่ะ อ, อยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่ที่ไหนทำงานที่ระยองะะอ่ะค่ะอ๋ออยู่ระยองเนะอะ มีแค่นี้เหรอแค่ <c oughs> นี้ค่ะยังยังฟังหลวงฟังไปเลยค่ ะ, ะคุณยายเป็นไงคุณยายจามน้ำมสการค่ะพึ่งเคยมาครั้งแรกก็อยากถามว่าอดูนะแป๊บหนึ่งนะคุณผ่านนิดใจลอยะนะ่ะว่าไป อ, อยากถามว่าถ้าเกิดดูรู้ว่ากำลังคิด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 จัดการชัดเจนขึ้นเป็นตัวอะไรนะตัวติดติดดีนะคะแล้วก็ตัวที่จดไปจัดการชัดเจนขึ้นเห็นนิวรน์ชัดขึ้นดีแล้วล่ะพวกเราไม่ติดชั่วหรอกพวกเราคนดีนะพวกเราแล้วติดดีติไปเหมือนกับเป็นนักรบแต่แต่ที่อยู่พ่อเคยพู้ว่าใจเกลียดไหมว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีไม่มีอะไรเกินการบังคับตัวเองใช่ค่ะมีแค่นั้นเองค่ะ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 อ้าโอเคก็ฟุง้งเมื่อเช้าดีกว่านี้เมื่อเช้าก็มันลัน่งกบอิ่มฮนะเออตอนนี้โมหะเอาไปกินแล้วฟุง้งแล้วก็โมหะแล้วก็บางทีก็มีสลับสดชื่นในออช่วงที่มาเนี่ยนะฮะแ ต, แ, แต่เมื่อเช้ า, าดีกว่านี้เยอะเลยนะครับกีลังต้องอดนอน่อนอาหารแล้วทั้งนั้น <laughs> กินข้าวแล้วภาวนายแย่ลง <laughs>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 ม, hmm. มันเหมือนมีคนมาพูดอยู่ข้างหูจนจนจนจนต้องตื่นนะฮะคือไอคนที่พูดเนี่ยคือความคิดเราเองทั้งหมดเนี่ยือมันก็มันเหมือนก็มีคนมาปลุกฮะมันคิดดังไปหน่อยคิดดังมากเลยดังจนต้องจนนอนต่อไม่ได้เลยฮะดีสิถือว่าเป็นบุญของเราจะได้ลุกขึ้นมาภาวนาบางทีมันก็ตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่นี่อาจารย์อุีตื่นตีสามทุกวันไั่เห็นบ่นเลย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 ตรงที่ไม่ได้จงใจแล้วสติเกิดเองอย่าตั้งมั่นพอดีพอดีอดจิตใจก็มีความสุขแผ่วๆโชยขึ้นมาตรงที่อยากปฏิบัตินั่นปฏิบัติไม่ได้หรอกกิเลสมันนำหน้าไปแล้วอาการที่มันปวดหัวปวนภผ่าวที่ตั้งแต่เจปปีก่อนก็ยังอยู่แต่รู้ละมันมาจากไอที่เราส่งออกอยู่ในร ะ, นระดับคือมันออกจะเพ่งไปนิดนึงเพ่งเยอะ คนนี้ที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังตอนั้นเขียนอยู่ในกระทู้ห้องสมุดทันทิปโอ้ในคนนี้นะเขียนธรรมะดีจังเลยชรอยจะเป็นพระอริยะชั้นสูงวันหนึ่งนะัดขอเจอหลวงพ่อนะบอบ้านอยู่แถวไหนบางอยู่แถวพุทธมนตรบอกเออจะไปพุทธมนตรพอดีนัดเจอกันพุทธมนตร น, นัดกันไวนะ้ณนศะาลานั้นศาลานี้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 ถ้าถนอมเมื่อไหร่นะจะทำตัวเป็นลูกคนเล็กทันทีเลยอ้อนขึ้นมาทันทีเลยนะ <c oughs> เห็นตัวโตเท่าควายนี่แหละแต่อ้อนเก่ง <c oughs> ยังต้องโขกแล้วโขกอีกถึงจะค่อยดีเมื่อเช้าอ่ะใช้ได้แล้วตอนนี้มีโมหะครับแล้วกาปรปฏิบัติช่วงนี้ที่เป็นยังไงบ้างหะก็ใช้ได้แล้วไงดูบ่อยๆครับส่งต่อไป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 มีชื่อเสียงนะตอ น, นี้หนีไปอยู่เมืองนอกเมืองนาะเอาแค่นั้นเหรอทำไมเอาน้อยจังเอาแค่เมตตาเหรอฮะทำไมเรียนน้อยนัก อ, อ, อย่างนั้นไม่เจอพระพุทธเจ้าเขาก็สอนได้ฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆอะค่ะ้วค่อยๆดูสภาวะไปเรื่อยๆครับที่ทำอยู่ใช้ได้นะจิตมันตื่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกไหมเป็นคนคใหม่แต่ก็ยังบางสภาวะก็ยัง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 วัตถุประสงค์ของมิพัฒนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจคนละอันในเวลาที่เรามีความรู้สึกโมโหโกโรธหรื อ, อสงเศร้าดีใจแล้วเราเหมือนเราคุยกับตัวเองว่าจะไปทุกข์ทำไมหรือจะไปเศร้าทําไมจะไปดีใจทําไมแล้วก็เบี่ยงเบนการพยายามก็ไม่ต้องไปคิดไ ป, ปอะไรกับมันอันนี้ถือกเป็นการปรุงเป็นปรุงแต่งเป็นสมถะเป็นสมถะก็ อ, อยากให้หาย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 เนั้นต่อไปอะไรเกิดขึ้นนะจิตใจมันไม่ดิ้นรนไม่หวั่นไหวเอยแต่เดิมความสุขเกิดขึ้นก็ดิ้นรนนอยากให้อยู่นานๆความทุกข์เกิดขึ้นก็ดิ้นรนอยากให้หายแต่ถ้าสติปัญญามันเกิดไม่เห็นต้องของชั่วคราวไม่เห็นจะต้องดิ้นเลยเดี๋ยวมันก็ไปงั้นวิปัสสนานรเรียนเพื่อให้เห็นความจริงส่วนใหญ่ไมาเจอแบบตอนที่มันทุกข์อะครับอ ย, อย่างอย่างน้องเขาบอกวพอเรารู้ตัวปั๊บเราก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่า อ า, อารมณจ์จะดีขึ้นจะเย็ย น, ยนลงแต่ก็เหมือนว่าเรากโกรธอยู่เพราเรารู้ตัวว่าเราโกรธปั๊บเราก็ไม่โกรธละแต่เราจะรู้รู้สึกว่าเป็นสภาวะที่มันค่อนข้างเป็นทุกข์ยางตอนศุกร์นี้ผมไม่ค่อยรู้ตัวก็ดีแล้วทุกข์บ่อยๆนะมันบ่อยดีนะขอบคุณครับถ้าอันไหนอยู่ตรงไหนแล้วมันมีสติบ่อยเอาตรงนั้นแหละดี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 ก้อนหินก้อนนะ่ะไอพวกน้ำอากาศอะไรพวกน้มันคืออันเดียวกันแล้วมันหายไปพหนูลืมตาขึ้นมานะตอนนั้นนะคะหนูก็รู้สึกว่ามันเราไม่ได้แบกอะไรไว้เลยจริงๆแล้วแต่มันก็แค่วันประมาณแค่วันกว่าๆเองหนูก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก<ม>ตอนนี้หนูก็เลยมาทาแบบลองทำแบบของหลวงพ่อดูบางครั้งก็รู้สึกว่าจิตตื่นได้แต่บางครั้งถึงแม่หนูจะรู้อารมณ์นั้น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 <ฮ>ดูไปเรื่อยก็แค่นั้นใช่ไหมคะแค่นั้นแหละตอ น, นี้หนูมีอะไรต้องแก้ไขมากกว่านี้คะที่หนูตอนนี้ใจไม่ตั้งมั่นนะค่ะใจมันกระจัดกระจายฟุ้งต้านอยู่ทราบไหมขณะจิตเนี้ยหนูควรทาสมถะก่อนสมถะไม่เลิกะนะไม่ใช่ว่าทํากรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วทิ้งสมถะไม่ใช่แต่ว่าเราจะทําสมถะตอนไหนเราก็ต้องรู้จัก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 ถ้าดูไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ทำสมถะสมถะ เ, เป็นแนวตั้งรับอันสุดท้ายของเราอ๋อค่ะพอเราทาสมถะจิตใจสบายเราก็กลับมารู้ทันว่าจิตสบายแล้วกลับมาดูจิตได้แล้วไม่ไม่ทิ้งนะสมถะแต่ว่าเราต้องมีปัญญารู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร เ, เวลานี้จิตใจของเราเข้มแข็งดีแล้วพร้อมที่จ ะ, จะเจริญปัญญาแล้วก็อย่าวิ่งไปหาสมถะมันขี้เกียจอ๋อค่ะ เดี๋ยวมันจะขี้เกียจไม่ยอมเจริญปัญญาหรือว่ามันฟุ้งซ่านเต็มทีแล้วเจริญปัญญาไม่ได้แล้วยังฝืนจะเจริญปัญญาก็ไม่ได้อะไรฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆต้องรู้จักนะตอนไหนควรทําสมถะตอนไหนควรทํำมิปัสสนาอะส่งต่อไปเ <Okay. S 2> พราะบางครั้งเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวกันบางครั้งเราก็จิดวางได้บางครั้งก็วางไม่ได้เออดีแล้วนะเขาสอนธรรมะเรานะเห็นไหมเธอบังคับฉันไม่ได้หรอก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 ไม่ใช่เวลาทำอย่างอื่นนะเคยมีเด็กคนหนึ่งนะหัดดูจิตแต่ดูไม่เป็นไปเพ่งจิตเขเพ่งตามองเห็นไฟแดงเห็นรถติดอยู่อีกห้าคันข้างหน้านะสักแต่ว่าเห็นมันไิชนเขาทีเดียวห้าคันเลยนั้นต้องรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรก็คือดู รู้ตัวไว้มีหน้าที่ขับรถก็ตั้งใจขับรถก็คือตั้งตั้งมั่นอยู่กับดดูถนนทางแล้วก็เออก็แต่ว่เลยครับก็ขับขับไปเจอคนเขาปาดหน้าโมโหรู้ว่าโมโหนี่ปฏิบัติตรงนี้ท่างหากวันนี้ขับไปเจอไฟเขียววิ่งมาเจอไฟเขียวทั้งวันเลยดีใจเคยเจอไหมวันนี้ไปเจอเด็ไฟเขียวนีชเดีสดชื่นเลยรู้สึกสดชื่นรู้ว่าสดชื่น ถ้ารถจอดแถวยาวๆอยู่แล้วไฟเขียวรู้สึกไหมไม่ค่อยสดชื่นกลัวว่าไม่ทันเดี๋ยวมันจะแดงซะ ก, ก่อนเนี่ยใจเรากระสับกระส่ายกลัวไม่ทันไฟเขียวก็รู้ทันถ้าพอจิตใจเราสงบตั้งมั่นดีแล้วก็ทําหน้าที่ขับรถของเราต่อไปครับเพราะงั้นถามว่าขับรถแล้วปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติตามกฎจราจรน ะ, ะถึงจะเรียกว่าทําหน้าที่นมัส ก, การครับหลวงพ่อ เอพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อไม่นานแต่สงสัยว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือเปล่าที่หลวงพ่อสอนก็เลยวันนี้ก็เลยมาฟังฟังแล้วก็ยังงงงเห็นกิเลสไหมกิเลสเกิดบ่อยไหมเห็นบ่อยครับโดยเฉพาะหลังๆนี่ยเห็นบ่อยมากเลยดูหนังดูละครนี่ดูไม่ได้เลยต้องไม่ดูเลยเพราะว่ากิเลสมันเกิดชัดอืมนั่นแหละถ้าเห็นกิเลสก็ใช้ได้ละคือภาวนาเนี่ยเราเพื่อจได้เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริง แต่เราเห็นกิเลสเราก็ไม่น่าจะไหวไปตามกิเลสนะฮะเพมันกลับกลายเป็นว่าเราไหวไปตามกิเลสแสดงว่ามันไม่น่าจะถูกเราเร า, เรายังไม่เข้มแข็งพอกิเลสยังย้อมใจเราได้ทัทง้งๆที่เห็นเห็นอยู่นะแต่ว่ามันไม่ขาดถ้าสติจริงๆยังไม่เกิดถ้าสติตัวจริงเกิดนะกิเลสจะดับทันทีเลยแต่ว่าได้อย่างนี้ก็ดีแล้วละ่ะหัดใหม่ๆได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วดูไปเรื่อยๆ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเราดูถูกหรือดูไม่ถูกครับบ้านอยู่ไหนอ่ะอยู่กรุงเทพครับอยู่ท่า่อแล้วมาที่นี่บ่อยๆก็แล้วกันขอบคุณหลวงพ่อความจริงกับผมมาขั้งนี้เป็นขั้งแรกด้วยการแนะนําของกัญยาณมิตรคือท่านอาจารย์ดรนวลสิริกับผมไม่มีอะไรสงสัยนึกสงสัยอยู่แต่ หลวงพ่อก็อธิบายไปหมดแล้วก็ดีใจชื่นใจแล้วก็พอใจแล้วก็จะจะดูใจไปอย่างที่หลวงพ่อสอนต่อไปโอ้สาธุนะโยมคบคนถูกแล้วโยมมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรของสําคัญนะกัลยาณมิตรคือทั้งหมดของพรหมจรรย์ดีแล้วการมสกรรหลวงพ่อครับก็ วันนี้พาลูกสาวมาฮะไปเทอมครับส่วเผมเงก็เห็นอะไรชัดเจนขึ้นเริ่มเบาขึ้นดีแล้วคาถูกแล้วขอบคุณมากครับนะก็อยากจะให้ลูกสาวได้สวนธรกมหลวงพ่อบ้างนะครับก็กลัวอยู่ยังกลัวเหรอครับต้องเห็นหน้าบ่อยๆจะได้ไม่กลัวใน๋ยวงพ่อยังไม่เห็นเลยเขินไหมไม่กล้าพูดอะคะ่ะ อ้าวแล้วใครพูดเนี่ย เ, เวลาเรียนอะไรอย่างคะ่ะมันทําไม่ได้ครับถ้าสมมติเวลาทําแล้วมันจะไม่ได้ฟังที่ครูเขาพูดเป็นประโยคเลยค่ะพ<อ>ูดเวลาเรียนหนังสือตั้งใจเรียนถ้าเราไปเจริญสติเราจะฟังไม่รู้เรื่องที่จริงแล้วที่เราฟังรู้เรื่องเพราะว่าเราฟังไปคิดไปตรงนี้ดูออกไหมที่เราฟังเนี่ยสังเกตไม่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ได้ฟังอย่างเดียว ฟังสลับแก่คิดดูออกไหม<ฆ>ที่เรารู้เรื่องเพราะว่าเราคิดไม่ใช่เพราะฟังหรอกแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีสติขึ้นมาใจเราไม่ไปคิดนะเราจะฟังไม่รู้เรื่องงั้นเวลาหนูเรียนหนังสือนะไม่ใช่เวลาจเจริญสตินะตั้งใจเรียนนะแต่ว่าพอเรียนไปเรียนไปแล้วขี้เกียจ <c oughs> ให้รู้ว่าขี้เกียจตรงนี้เป็นเวลาปฏิบัติล้รู้สึกไหมแต่ละวิชาชอบไม่เท่ากันคเออ วิชานี้ชอบเวลาจะเข้าเรียนรู้สึกมีความสุขรู้สึกไห ม, มบางวิชาไม่ชอบเรียนแล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกไหมเดี๋ยให้เรารู้ทันตรงนี้ใจเราชอบเราก็รู้ใจเราไม่ชอบเราก็รู้นะเวลาเราจะกินขนมมีให้เลือกหลายอย่างรู้สึกไหมเราชอบแต่และอย่างไม่เท่ากันเวลาเรามีกับข้าวหลายอย่างเราก็ชอบไม่เท่ากันอันนี้ชอบมากอันนี้ชอบน้อยให้เรารู้ใจของเราเรื่อยๆนะแล้วก็ชอบอันไหนก็กินอันนั้นนะหลวงพ่อไม่ห้ามนะ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 ใจเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆอายุเท่าไหร่แล้วทสิบสองคะ่ะเออกำลังฝึกอยู่แหละเข้าท่านะมีเด็กคนหนึ่งสิบเอ็ดขวบเด็กผู้หญิงเหมือนกันอยู่แถวพัทยาเนี่ยโอยเวลาพูดสภาวธรรมนะมันพูดชอชๆชๆผู้ใหญ่กลัวเลยเห็นไหยจิตมันทำงานอย่างนั้นอย่างนั้นนะ <c oughs> เห็นกลนไก่ของมันน่าฟังเด็กๆหัดง่ายนะหัดแต่เด็กๆดีละ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 <า>หลวงพ่อก็พยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้คนมาเยอะต้อดลองหัดเองคือฟังเองดูเองมันจะเชื่อฟังบ้างไม่เชื่อฟังบ้างนะครับดีแล้วคอยดูเรื่อยๆนะครับก่อนก็บอกว่าเนี่ยมาไม่มาก็ฟังซีดีเหมือนกันนะอาจารย์ฐานนิดบอกไม่เหมือ น, นไม่เหมือนครั บ, รบอาคุณพิยาดาหลงอยู่คนหนึ่งก็เอ่อ เผลอเผลอบ่อยขึ้นเห็นเผลอนะเนะมื่อก่อนนะไม่เห็นลูกสาวภาวนาเก่งมากเลยนะเขาเขาไปซื้อองค์หญิงกรมะลอมาให้แม่ดูเพื่อที่จะจิตจะได้ออกมารับรนะู้ไอ้ละครเขาเรียกอะไรฮะละครจีนห <c oughs> นังจีน <c oughs> ค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าจิตแม่จะได้ออกมารู้ว่าชอบไม่ชอบอะไรอย่างเนี้ยค่ะ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 ดูไปนะโยมจีกมันก็จะเกิดดับกระดับกระดับกระดับกิดดัอย่างเงี้ยค่ะพูดกระดับกระดับกระดับกระดับกระดับกระดับนานมากเลยแล้วหนูก็บอกคุณพ่อว่าเลิกฟังได้แล้วพะเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ตอนนี้มันเห็นเองมันก็เลยแบบว่าเห็นไม่หยุดเลยค่ะห้ามเห็นก็ไม่ได้แล้วไงหนุ่มพ่อไม่ค่อยเข้าใจอะไรกระแดกกระเดกเกิดดับค่ะอ๋อ